ติขาบทที่4ว่าด้วยการไม่ผัดเปลี่ยนสังฆาติตามกําหนดเรื่องภิกษุณีหลายรูป897สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันพารามของพระนาถบาิทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาบทีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายฝากจีวรไว้กับพวก ยังอุตราสง่์กับอันตรว า, าสงกหลีดริบไปสู่ชนบทจิวานนั้นเก็บไว้นาจึงขึ้นราพวกพิกชชณีที่รับฝากจึงนงําออกพื้นแดนพิชชณีทั้งหลายได้กล่าวกับพิกษุณีที่รับฝากเหล่านั้นดังนี้ว่าแม่เจ้าทหลายจิวานที่ขึ้นราเหล่านั้นเป็นของใครลำดับนั้นพวกพิกชชณีที่รับฝากจึงบอกเรื่องนั้นให้พิชชณีทั้งหลายทราบ บรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามพนธนาว่าเช่นไนภิกษุณีทั้งหลายจึงฝากจีวรไว้กับพวกภิกษณุณีแล้วมีเพียงอุตราสงกับอันตรวาสกจะริกไปสู่ชนบทเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นาเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ